ต้องทำงานประสานกันภายในเวลาไม่เกิน 0.001 วินาทีซึ่งนับเป็นช่วงเซี่ยวของเซี่ยวความรู้สึกแต่ข้อเท้จริงอันเป็นรูปธรรมก็คือระยะเวลาที่กระแสประสาทเดินทางจากสมองมาอย่างมือนั้นจะอยู่ในช่วง 0.3 ถึง 1.5 วินาทีซึ่งช้ากว่ากันมากอันนี้ก็แปลว่า สมองไม่ได้เป็นผู้สั่งแต่มีอะไรอีกอย่างอยู่เบื้องหลังอีกทีที่ทำให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้แม้แพทย์บางส่วนพยายามจะหาทางอธิบายให้เป็นรู ป, ปรธรรมเช่นเป็ น, นกลไกทำงานสะท้อนของประสาทเหนืออำนาจสำนึกก็ไม่ใช่คำไขปริศนาที่ลงตัวน่ายอมรับกันทั่ว ถ้าว่ายิ่งกลายเป็นปมคำถามใหม่อีกมากมายไปแทนยังไรก็ตามบางแง่บางมุมการพ้นพบ ทำให้แม้แต่นักบวชที่มีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนายังอกใจสันระทึกเพราะเหมือนหลักฐานจะบ่งว่าแท้จริงแล้วประสบการณ์ภายในทั้งมวลของมนุษย์เราล้วนเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมองส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสเสียหาย ก็จะเป็นบุคคลผู้สูญเสียความทรงจำเปรียบได้กับแทบเทปบันทึกที่ขาดลงหรือถูกทำให้ยับข้อมูลภาพและเสียงก็จะสาบสูญไปด้วยซึ่งมีแง่กังวลว่าถ้าสมองไม่ใช่จิตทำไมความจำจึงอยู่ในสมองวิทยาการปัจจุบันทาให้นักวิทยาศาสตร์บางกลงุ่มเห็นความเป็นไปได้ ที่จะจำลองข้อมูลจากเซลล์ประสาทสมองด้วยความก้าวหน้าระดับนาโนเทคโนโลยีคือสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นจิว๋วเท่าเซลล์มนุษย์จำนวนมากๆแล้วก็ฉีดเข้าไปในสมองเพื่อให้พวกมันเข้าจับกับเซลล์สมองเพื่อศึกษาและก็ลอกเรียนสัญญาณสมอ ง, มองกระทั่งสามารถประสานงานกัน ทำงานกันได้เหมือนสมองสนิทแนบเนียนทุกประการเทคโนโลยีทำนองนี้ทำให้มีโครงการที่ว่าจะถ่ายโอนจิตจากสมองคนหนึ่งไปสู่สมองใหม่ในเวลาที่ไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าซึ่งถ้าทำได้สำเร็จจริงก็เป็นอันลล้มล้างความเชื่อเกี่ยวกับอินทรีย์อมตะและก็การเวียนว่ายตายเกิดไปโดยปริยาย นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งที่ทำให้ผู้มีความเชื่อในโครงการนี้มองมนุษย์ไม่ต่างจากหุ่นยนต์โดยศูนย์กลางของหุ่นยนต์นั้นคือสิ่งที่เรียกว่าสมองกล่าวได้ว่าสมองคือชีวิตทั้งชีวิตทีเดียว ควรตั้งข้อสังเกตว่านักวิทยาศาสตร์พาการเล็งไปที่เป้าเดียวคือสมองอันเป็นส่วนรูปธรรมซึ่งระบบวิทยาศาสตร์จะชอบมากเนื่องจากแต่ต้องได้ทดลองพิสูจน์ตามแง่มุมต่างๆได้อันเป็นการยอมรับอย่างไม่อ้อมค้อมว่ารูปเป็นต้นกำเนิดของนามวิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าไปไกลขนาดคิดว่านามก็เป็นต้นกาเนิดของรูปได้เช่นกัน และเมื่อไม่มองก็จะไม่มีความพยายามใดๆเพื่อพิสูจน์ด้วยแนวทางอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงคือแทนการใช้ตาดูหูฟังก็จะต้องใช้ใจรู้เอาตรงๆบ้างมุมมองเกี่ยวกับจิตของนักพลังจิตทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตโลกเราไม่เคยขาดนักพลังจิตหรือมักจะเรียกกันว่าผู้วิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพ่อมดหมอผีคนทรงเจ้ากระจอกหรือว่าฤาษีชีไพรผู้ทรงตบะเดดยิ่งใหญ่ผู้ที่เข้าหาศึกษาและหวังใช้พลังจิตที่มีมุมมองแตกต่างไปจากคนธรรมดาหน่อยเดียวคือแรกเริ่มเดิมทีจะมองว่าจิตคือความรู้สึกนึกคิดแล้วก็อาจเห็นว่ามีสภาพความเป็นอมตะย้ายร่าง เป็นเปลี่ยนภูมิได้แต่ที่จะมองเพิ่มแล้วก็ขวนขวายหาทางรู้จิงให้ได้ในปัจจุบันคือทำอย่างไรจะเพิ่มความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์อื่นเช่นเหาะเหินเดิอนอากาศล่องหนหายตัวดักทายใจรู้ล่วงความคิดใครต่อใครได้สื่อสารผ่านโทรจิตข้ามทวีปได้หาทองใต้ดินได้ พูดให้ง่ายที่สุดคือจิตถูกมองเป็นพลังชนิดหนึ่งทํานองเดียวกับที่เรามองพลังงานจากธรรมชาติอื่นๆเช่นน้ำมันแสงแดดหรือปฏิกิริยานิวเคลียดนั่นเองเราอาจรับประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันได้บ้างคนมองมีตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสูงหรือ ผู้ที่มีอิทธิพลสูงสูงแล้วเกิดความรู้สึกเหมือนเขาเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานขนาดใหญ่มีศักยภาพและเปลี่ยนแปลงบุคคลและก็สถานที่รอบข้างได้ตามอำเภอใจจุดนั้นก็คือเห็นพลังจิตอย่างหนึ่งแนวคิดแบบนี้สนับสนุนอัตราที่ยิ่งใหญ่หน่าภาคภูมิและควรมีความ เป็นให้จงได้แนวคิดแบบนักพลังจิตที่มีการศึกษายุคปัจจุบันจะประยุกต์ทั้งความเชื่อแบบอภิปรยายและทั้งการพิสูจน์เก็บตัวอย่างสถิติแบบวิทยาศาสตร์จึงเริ่มมีหน่วยงานแม้ระดับรัฐบาลให้ความสนใจให้ทุนการศึกษาจริงจังไม่ปล่อยเป็นเพียงความเชื่อแบบงมงายเพราะหวังกันว่า เมื่อศึกษาจนถึงแก่นพัฒนาศักยภาพพลังจิตแก่กล้าถึงจุดหนึ่งก็อาจจะได้คำตอบรวบยอดว่าจิตคืออะไรเอาไปใช้ประโยชน์ใดเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนักพลังจิตระดับปฏิบัติจะมองว่าการฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั่วไป ก็จัดเป็นการฝึกจิตพัฒนาพลังจิตให้เติบโตแข็งแรงตามวันเวลาที่ผ่านไปเช่นนักร้องที่ฝึกเปล่งเสียงอย่างสม่ำเสมอฝึกร้องให้มีความกังวนกว้างฝึกลงลูกคอให้ลิ้วมองตามรูปธรรมคือฝึกให้กายตอบสนองคำสั่งได้ตามใจแต่มองตามานมามธรรมแบบนักพลังจิต คืออาศัยวินัยและการเพ่งจิตควบคุมเสียงเรื่อยๆแล้วในที่สุดเสียงก็จะอยู่ในอานัตและขับเสียงออกมาได้อย่างไพเราะมีอำนาจสะกดจิตคนฟังเป็นพิเศษต่างจากคนที่สุดมาน้อยกว่าที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดพลังจิตในระดับที่เป็นริจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเอาไปประยุกใช้ในด้านอื่นๆ ตามแต่ปรารถนาเช่นนักร้องนักดนตรีระดับอัจฉริยะอาจจะเอาพลังจิตที่สั่งสมไว้แล้วมาฝึกควบคุมวัตถุให้เคลื่อนที่บ้างไม่ใช่ควบคุมเพียงเสียงของตนอย่างเดียวเพื่อพัฒนาพลังจิตให้เติบกล้าจิตต้องจดจ่อหรือหัดกระทาการกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึง่งเจริมตา หรือหลับตาก็ตามพูดให้ง่ายคือจิตจะมีอำนาจเหนือวัตถุขึ้นมามองไม่ได้ถ้าปราศจากเจตจำนงและพละกำลังที่กล้าแข็งพออย่างเช่นถ้าอยากจะเคลื่อนย้ายแก้วน้ำจากมุมโต๊ะมาถึงมือโดยไม่ต้องขยับขยื่นส่วนไหนของร่างกายก็ต้องมีกระแสพลังกล้าแข็งเป็นทุน แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะสั่งแก้วให้วิ่งมาหาตัวอย่างแน่วแน่หากขาดการสั่งสมพลังและไม่มีการฝึกบังคับควบคุมสิ่งต่างๆด้วยเจ็ดจำนงนแล้วก็ถือว่ายังไม่อยู่ในโลกของนักพลังจิตแล้วก็ยากที่จะมองว่าจิตเป็นพลังชนิดหนึ่งทุกวันนี้นักพลังจิตกําลังควานหากันว่า มีสูตรสำเร็จครอบจั ก, กรวาลอยู่หรือไม่กล่าวคือฝึกอย่างไรแล้วเกิดพลังจิตแน่นอนกับทั้งครอบคลุงอำนาจวิเศษทุกด้านที่ผ่านถ้าจะพึ่งพาใครให้ทางานด้านพลังจิตเป็นพิเศษก็มักจะต้องหาคนเก่งเฉพาะทางหรือมีพรสวรรค์ด้านนั้นๆโดยเฉพาะอีกทั้งมีความไม่แน่นอนสูงวันนี้ทำได้ รุ่งนี้ทำไม่ได้เสีแล้วจุดรวมของความเชื่อความเชื่อต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นทางสามัญสำนึกอภิปรัชญาวิทยาศาสตร์ หรือพลังจิตลนแล้วแต่มีจิตร่วมอยู่ประการหนึ่งคือยอมรับความเป็นตัวตนของจิตเห็นจิตเป็นชีวิตหรือภาวะบุคคลถ้ามองอย่างเป็นรูปธรรมแบบวิทยาศาสตร์ก็ต้องว่าบุคคลนั้นดำรงอยู่ตราบเท่าที่หัวใจยังเต้นคื่สมองอยังกระเพื่อมได้ถ้ามองอย่างเป็นนามธรรมแบบอภิปรัชญา ก็ต้องว่าบุคคลนั้นอาศัยร่างมนุษย์ในการเรียนรู้ช่วคราวแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปจะเป็นร่างใหมยหรือว่าส ว, สวรรค์นิรันดรก็ขึ้นอยู่กับแนวความเชื่อที่ซอยย่อยเป็นสาขายิบยับอีกทีหนึ่งความเชื่อถือของแนวคิดต่างๆนับเป็นเรื่องท้าทายของคนหัวดือ้อในยุคบริโภคข้อมูล ยุคของเราที่ไม่มีใครเชื่อได้ง่ายๆหากประสจาการพิสูจน์ให้รอบคำภีประจำศาสนาจะบันทึกไว้อย่างละเอียดว่าพระศาสดามีดำรัสเกี่ยวกับความจริงในแง่มุมต่างๆไว้อย่างไรหากพระศาสดาตรัสอะไรไว้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่อาจยืนทนต่อการพิสูจน์แล้วล่ะก็จะถูกต่อต้านหรือถูกดูหมินดูแลน อย่างรุนแรงจากนักศึกษาหัวก้าวหน้าในปัจจุบันระบบการศึกษาปัจจุบันจะยุให้คิดยุให้หาความจริงด้วยสติปัญญาแบบมนุษย์ไม่ใช่งมงายด่วนรับความเชื่อไม่กล้าคัดค้านด้วยความกลัวบาปกลัวกรรมเหมือนยุคที่ผ่านๆมาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณตามแนวอภิปรัชญาหรือลทัทธิาศาสนาทั้งหลายนั้น โดยมากมักจะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์เช่นเห็นวิญญาณตนเองลอยออกจากร่างไปสัมผัสดินแดนต่างๆจากโลกปัจจุบันหรือขณะเลื่มตาตื่นอยู่สามารถรับสัมผัสอันทรงมหิธานุภาพเป็นที่มาของมหาปิติอบอุน่นทรงพลังกว่าจะนึกปฏิเสธว่าเป็นเพียงอุปทานชั่วครูช่วยยาม ศาสนิกผู้มีศรัทธาแก่กล้าจะฝึกอบรมแล้วก็มักเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาสนาของตอนได้เสมอเสมอคนไม่รู้ว่างมงายแต่คนที่ได้รับประสบพบพานพลังอบอุ่นและดินแดนยิ่งใหญ่เป็นประจำย่อมทราบดีว่าตนไม่ได้ฝันไปเองยังมีนิติที่เหนือกว่าโลกหยาบอันรู้เห็นได้ด้วยตา ดูหูฟังของมนุษย์ธรรมดาความจริงเกี่ยวกับจิตที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ สำหรับพุทธเราการเห็นวิญญาณออกจากร่างไปสัมผัสมิติอื่นเป็นเพียงเปลือกยาบของความจริงยังมีเนื้อในแห่งสัจจะที่เป็นธรรมแท้ยิ่งกว่านั้นคือเห็นจิตเกิดดับต่อหน้าต่อตาทั้งยังมีสติในชีวิตสามัญยังพูดคุยยังเดินเหินอยู่ด้วยอาการเดิมนี้เองเมื่อเกิดประสบการณ์ภายในดังกล่าวแล้ว จะมีข้อดีเหนือการถอดวิญญาณที่สาคัญคือวางทุกข์เสียได้เหมือนคนรู้ตัวว่าถือฐานร้อนแล้วโยนทิ้งตลอดจนทำลายเหตุแห่งทุกข์เสียได้เหมือนคนรู้อะไรทำให้ฐานร้อนก็ทำลายสิ่งนั้นลงเสียอย่างไรก็ตามควรทราบให้ทีท่วนว่าพระพุทธองค์แสดงเรื่องของจิตไว้อย่างไรบ้าง การเลือกรับรู้เพียงแบบใดแบบหนึง่งอาจจะทำให้เห็นอะไรด้านเดียวหรือไม่ก็มุ่งเน้นเฉพาะ ด, ด้านในด้านหนึ่งเกินไปแบบได้หน้าลืมหลังจัดเป็นความที่เห็นขาดความสมบูรณ์ซึ่งอาจจะเสียประโยชน์หรือเป็นผลร้ายต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเงื่อนไขที่คาดเดายากเช่นบางคนจะอ้างเพราะ ที่พระพุทธองค์สอนเรื่องข้ามพบข้ามชาติจึงจัดว่าวิญญาณเป็นอัตตาขณะที่บางคนเห็นใครใช้คำสื่อสื่อสารง่ายง่ายเช่นวิญญาณคนตายจะลอยไปสู่ภพภูมิใหม่ก็ว่าเขาหลงผิดเพราะตามหลักที่ถูกคือหลังจุติจิตดับลงจะเกิดปฏิสนธิจิตสื่อต่อทันที ในที่นี้จึงขอแสดงไว้ว่าพระพุทธองค์แสดงแง่มุมต่างๆของจิตไว้ครบถ้วนดีแล้วเมื่อศึกษาและทรงจำกันอย่างใส่ใจก็จะละความสงสัยทั้งมวลลงและไม่จำเป็นจะต้องทิ้งแทงกันด้วยหอกคือปากอีก ดับทความเห็นให้ถูกในเหตุและผลพระพุทธองค์แสดงธรรมโดยยืนพื้นอยู่บนความเข้าใจในแบบสามัญว่าคนเราควรใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นท่าทีที่ถูกต้องท่านจะใช้คําง่ายๆแสดงเหตุผลชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ ก, กงังวลเช่นในมหาปรินิพานสูตร พระสุตันตปิฎกเล่นที่สองพระองค์ตรัสแสดงโทษของการไม่รักษาศีลห้าประการแก่ชาวปาตาลิกามเฉพาะโทษข้อที่สี่และหจะเกี่ยวข้องกับจิตและภพภูมิโดยตรงอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมตายด้วยการหลงอันนี้ก็เป็นโทษข้อที่สแห่งศีลวิบัติ ของคนทุศีลอีกข้อหนึ่งคนทุศีลมีศีลวิบัติแล้วเบื้องหน้าแตกตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกอันนี้เป็นโทษข้อที่ห้าแห่งศีลวิบัติของคนทุศีล น, นอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสอนิสงค์แห่งการรักษาศีลในทางที่ตรงกันข้ามคือถ้ามีศีลก็จะไม่ตายด้วยอาการหลง และเมื่อกายแตกหรือกายหมดสภาพที่อาศัยของจิตวิญญาณก็ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้อยพระวจนะนี้ชี้ให้เห็นว่าตามความรู้ของพระบุทธเจ้าท่านเห็นว่าตายเพราะกายหมดสภาพนั้นหาใช่จุดจบแต่เป็นการเข้าถึงนรกหรือสวรรค์ตามเหตุแห่งการดำเนินชีวิตหรือถ้าตลอดมา เป็นคนทุตเียก็หลงตายแล้วไปนรกแต่ถ้าเป็นคนมีศีลก็ตายอย่างมีสติแล้วก็ไปสวรรค์เฉพาะเรื่องของทางไปนรกสวรรค์ยัยงมีข้ออื่นอีกไม่ใช่เรื่องของศียอย่างเดียวเช่นในสามัญญผลสูตรพระสุตรตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งส่วนของตุตูปปาตยานยานรู้เห็นสัตว์จุติและอุบัติท่านรตรัสถึงผู้มียานนี้ว่า ผู้มีทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงตาเนื้อของมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ว่าเป็นไปตามกรรมหรือเห็นสัร์จะพวงหนึ่งประกอบทุจริตทางกายวาจาใจติดเตียนพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นผิดเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบาย สุขติวินิบาทนารกส่วนสัตว์อีกจำพวกหนึ่งประกอบสุจริตทางกายวาจาใจไม่ติดเตียนพระอริยะเจ้ามีความเห็นชอบยึดถือการกระทำด้วยอำนาจความเห็นชอบเบื้องหน้าแตกตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดันนี้นอกจากแสดงว่านารกสวรรค์มีจริงทางเข้านารกสวรรค์เป็นอย่างไรแล้ว เนื้อธรรมนี้ก็ยังชี้ใหเห็นด้วยว่าความสามารถร่วมรู้ลี้ลับข้ามภพภูมิของสาธารณะใครก็ตามที่มีทิพยจักษุอันล่วงตาเนื้อของมนุษย์ย่อมเห็นได้เหมือนๆกันเรียกว่าพระพุทธองค์มีพยานอยู่ไม่ใช่ว่าท่านเห็นเพียงลำพังและทั้งสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่จนกระทั่งสมัยนี้ ก็ยังมีสาวกที่ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่จำนวนมากที่สามารถยืนยันแทนท่านยังมีรายละเอียดการเข้าถึงนรกสวรรค์เพราะเหตุต่างๆอีกมากกระจายอยู่ทั่วไปในพระสูตรต่างๆคือขึ้นอยู่กับว่าพระผู้มีพระภาคท่านตรัรสเทศนาอะไรมีเรื่องอันเป็นเหตุบรรดาพระไทยอย่างไรแต่ที่สุดแล้ว ก็วนเวียนอยู่รอบๆเรื่องของทานและศีลเป็นส่วนใหญ่มีข้อสังเกตคือพระาศาสดา ข, ของเราไม่เน้นแสดงทางไปสวรรค์แบบเอาตัวเข้าขออภัยค่ะแบบเอาเข้าตัวคือท่านแสดงเป็นกลางๆว่าใครคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นทางไปสู่สวรรค์เฉพาะตนแม้บางสูตรพระองค์ตรัสตามจริงว่า ถ้าทำบุญในขอบเขตพุทธศาสนาแล้วจะให้ผลภยัยศาลท่านก็ตรัสไว้ในสูตรนั้นว่าให้ทานแก่สัตว์ก็จัดเป็นบุญถวายสักทานแดหมูสงจะได้ผลมากกว่าถวายทานพระพุทธเจ้าเป็นต้นคือไม่ใช่บอกทางสวรรค์แบบที่ต้องทำลุกบำรุงพระองค์โดยเฉพาะท่านตรัสตัวเลือกและระดับสูงต่ำไว้ตามจริงไม่มีอคติ หรือว่าลำเอียงใดๆทั้งสิ้นในแง่ของจิตวิญญาณที่ครองหรือไม่ครองร่างนั้นคงจำกันได้ว่าในบทที่เจข้อที่ว่าด้วยทัศนสมบัติเมื่อปฏิบัติในหมวดกายานุปัสนากระทั่งเห็นอาการสาสสองอย่างแจ่มชัดย่อมจะมีความสามารถอย่างรู้ในเรื่องนี้ได้กล่าวคือสามารถกาหนดรู้ กระแสวิญญาณของมนุษย์เมื่อยังอยู่ในกายและเมื่อวิญญาณขาดจากกายไปอยู่ปารโลกแล้วอีกแง่หนึ่งพระพุทธศสาสนาเราไม่พูดถึงจิตในแง่ที่มีหรือไม่มีพลังงานในตัวเองแต่จะพูดถึงฤทธ์ก็หมายถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์และอภิญญาซึ่งก็หมายถึงความรู้ที่ยิ่งยวดซึ่งจิตทราบทางควบคุมหรือว่ากระทาให้บังเกิด และเมื่อกล่าวถึงฤทธิ์หรือว่าอภินยาพระพุทธองค์จะตรัสเป็นเงื่อนไขเสมอเช่นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วปราศจากกิเลสจร อ, อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวย่อมน้อมจิตไปเพื่อฤทธิ์หรืออภินยาประเภทต่างๆตามปรารถนาและก็แนวทางที่จะได้มาซึ่งศักยภาพแบบอภินยานั้น พระพุทธองค์ไม่ได้ให้ไปทำอะไรลำบากยากเย็นเพราะเอาแค่กายานุปัสนาที่เราศึกษาผ่านกันมาอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะได้อภินยาเป็นของแถมแบบครอบจักรวาลดังได้แสดงในกายคตาสติสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่6คัดเฉพาะอนิสงส์ที่เกี่ยวกับอภินยาและมาแสดงมีใจความสำคัญว่า ดูการพิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิษุเสพแล้วโดยมากเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นยานแล้วทำให้เป็นพื้นที่ตั้งแล้วให้ดำรงอยู่เสมอเสม อ, สมอแล้วอบรมแล้วดำริสมาเสมอดีแล้วพึงหวังว่าสามารถแสดงฤิิ์ได้เป็นอนเนกประการเช่นเหาะเหินและดำดินพึงหวังว่าจะมีโฮทิ ด้ยินเสียงมนุษย์และเทพทั้งใกล้ทั้งไกลพึงหวังว่าจะสามารถรู้ใจสัตว์และบุคคลอื่นด้วยใจของตนพึงหวังว่าจะสามารถระลึกอดีตชาติได้เป็นอเนกประการจากชาติหนึ่งไปถึงหลายกับพึงหวังว่าจะมีตาทิพย์เห็นสัตว์เคลื่อนจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งแล้วที่สุดแล้วพึงหวังว่าจะทําอสวรรคทั้งหลายให้สิ้นไป คือสำเร็จมรรคผลขั้นสุดท้ายเป็นพระอาหารหันต์ผู้ปราศจากกิเลสและความไม่รู้ทั้งปวงเพื่อละลึกอย่างสำคัญด้วยว่าพระพุทธองค์ตรัสแสดงอนิสงส์นี้สำหรับทำให้มากแล้วกับทั้งทำให้ครบด้วยไม่ใช่แค่ทำสมาธิลมหายใจหรือว่ารู้อาการเคลื่อนไหวอิวรยาบททางผิวเผินแล้วก็อ้างว่าทำได้แล้วไม่เห็นอภิญญาขึ้นมาเลย โดยลืมไปว่าพระพุทธองค์ให้รู้กายในระดับสัมปัญญาโดยความเป็นอาการ32โดยความเป็นธาตุโดยความเป็นศพถ้าหัรรมอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่เจา จ, จงอยากได้อภินยาชนิดใดเป็นพิเศษก็จะเห็นว่าสามารถรู้ทางเองอย่างง่ายดายแบบที่เรียกว่าเรื่องคิ้ผงระดับทาความเห็นถูกว่าจิตเป็นอนัตตา พระพุทเจ้าแสดงความจริงเกี่ยวกับจิตไว้มากกว่าใครในโลกหรือว่าโลกไห น, ไ ห, นหากใครมีโอกาสสดับตรับฟังด้วยความเอาใจใส่แม้เพียงเบื้องต้นก็สามารถถอดถอนความยึดมั่นเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวตนเสื่ได้ทำลายความเชื่อตามอัตโนมัติว่าจิตเรานี้ศูนย์พร้อมกายรวมทั้งไม่ยอมมองว่ามีวิญ ญ, ญาณอมตะดวงเดียวกันกับที่เป็นอยู่นี้ สแสวงร่างใหม่เรื่อยไปขจัดแนวโน้มที่จะทึกทักว่าวิญญาณทั้งหลายกำลังฟ้องตนเองพัฒนาตนเองอย่างสภาพยาไปสู่ละเอียดแล้วจะเข้าถึงสภาวะสุดท้ายอันบริสุทธ์ชั่วนิวรันด์ได้เองเพราะพระพุทธองค์แสดงไว้ชัดว่าจะยุติการสืบเนื่องของจิตก็ด้วยการหรือถอนรากและโครงสร้างภพชาติอันได้แก่อวิชชาตัหาอุปทานเสียเท่านั้น ถ้าไม่ฝึกมองกายใจตามหลักสติปัฏฐานสี่จนละความวางยึดมั่นและความไม่รู้ระดับรากเสียได้ก็ไม่มีวันพ้นทุกข์ด้วยวิธีอื่นได้เลยทั้งสิ้นขอยกเอาพระสูตรที่ฟังง่ายที่สุดมาตั้งพระพุทธองค์ใช้วิธีเปรียบเทียบระหว่างกายกับจิตดังแสดงไว้ในอัสุตวตาสูตรที่หนึ่งพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่แปดความว่า ดูการพิสุดทั้งหลายปุตชนที่ไม่ได้ฟังธรรมจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ร, รูปสีนี้ว่าเป็นตก